พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าเลี้ยงดีแค่ไหนก็ตายอยู่ดี จำบรรษาสี่สิบสองรูปสี่สิบสองรูปทําไมน้อยนักเนี่ยนับดูไม่ถึงนี่นะหลวงพ่อนี่พูดโกหกหรือเปล่าจะว่าอีกเนี่ยลงมาฉันสามสิบสองรูปมาเนี่งดอาหารท่านไม่มาฉันอาหารสิรูปจะถามเอ๊ะทำไมท่านฉันมือเดียวอยู่แล้วทําไมอดอาหารอีกไม่สงสัยไปเรื่อยคนเราเนี่นะเอ๊ะทาไมฉันมือเดียวอยู่แล้วยังอดอาหารอีกไะ ทำไมท่านงดอดไปทําไมฮผู้ที่รู้หลักพระธรรมวินัยรู้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เจะพูดอีว่าทําไมพระพุทธเจา้าท่านห้ามไม่ให้อดทาหารอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าอดอาหารสี่สิบเก้าวันไม่ได้สําเร็จไม่ได้ตัดจรู้ทําไมพระวัดสายหลงตามหาบัวเนี่ยที่ท่านแนะนําให้ อดนอนพรอนอาหาร่ยจะไม่เข้าขายอัธกิรมัทธานโยกเหรออันนี้ก็คือผู้ที่รู้ก็จะตามไปอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นความสงสัยแต่ว่าตามไม่จริงความสงสัยตัวนี้แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาถ้าไปที่ไหนก็สืบบือ้อไม่ได้สงสัยอะไรเล ย, เยอันนั้นปัญญาไม่เกิดนะแ้าไปที่ไหนสงสัย สงสัยแล้วก็ถามแล้วก็สงสัยแต่อย่าให้ไปเป็นถึงวิตกกังวลนะถ้าวิตกกังวลไม่ได้นะเพื่อเพือเป็นบาติง่ายๆอีกเหมือนกันนะคนวิตกไปที่ไหนวิตกกังวลเรื่องนั้นวิตกกังวลเรื่องนี้แต่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างวิตกเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้กลัวเขาจะว่าให้อย่างนั้นกลัวเขาจะว่าให้อย่างนี้เรื่องนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าวิตกมาก็มาก คนนั้นจะเป็นบ้าได้ง่ายๆฮะแต่ว่ามีความสงสัยเนี่ยมีความสงสัยเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาเพราะมีความสงสัยเราจะได้คลี่คลายดูว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องเราเป็นอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไว้ว่าเนี่ยถ้าหากว่า ผู้ที่ได้เรียนรู้ก็จะสงสัยทำไมพระจึงอดอาหารจะไม่เข้าขายอัทธ ก, กิลมัทธานุโยกมีการท ร, ทรมานกายให้ลำบากเปล่าหรืออันนี้ก็คือความสงสัยทำไมไม่ออกนอกรูกนอกทางหรอแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าการอดอาหารสมมติว่าเราทานอาหารทุกวิทุกวัน มันจะไปทางการมัศุขันลิกาการมัศุขัลธิกาคือไม่มีการฝึกฝนตัวเองเลยอยู่กินตามสบายสบายอันนี้เรา่าอยู่ตามสบายเรียกว่าการมสุขัลธิกาถ้าหาว่าตึงจนเกินไปอดอาหารห ล, ปลบปรบหูหลบตาอดอาหารจะไม่ทานอาหารเลยอันนี้แล้วอะอัตตกิรัมภานุโยกการมีการทรมาน ร่างกายให้ลำบากเปล่าแต่ทางที่ถูกคืออะไรอันหนึ่งตึงเกินไปอันหนึ่งหยอดเกินไปหย่อนคือว่าการมัสุขันติกาตึงเกินไปว่าอัตตกิลมัฏฐาทางที่ถูกคืออะไรมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนี่แหละการเดินทางสายกลางมันกลางขนาดไหนจังหวะกลางงใครจะเป็นคนตัดสินให้แต่ละแต่ละบุคคล อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนะเอแต่ไปเห็นบางคนเขาอเขอนอนหลับฝันไปเขาก็ฝันก็ซื้อหวยก็ได้แจ็คพอตเนี่ยเราก็ลองลอ ง, ลองนอนมาสิไม่ต้องทํางานออนอนอย่างที่เขานอนฝันมาสิ เ, ออเพอเพอแจ้งทั้งบ้านทั้งเลือนอีกต่างหากเพราะเห็ุอะไรเพอมันคนละแนวกันอันนี้ก็เหมือนกันมัชชิมาปฏิปทาตรงนี้หรือตรงไหนมันจึงจะพอบอกะ เราจะต้องศึกษาเลศึกษาให้นํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงตัวเองจะไปนอนฝันอย่างเดียวไม่ได้นะนอนฝันก็ไปซื้อเอาซื้อเอาเจ๊งทั้งขอบทั้งครัวเผล อ, อๆจะไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยอีกต่างหากเพราะอะไร เ, เพราะมันจะให้เหมือนเขามันไม่เหมือนนี่ก็เหมือนกันก็ว่ามัตสิมาก็าดีการมสุขันลิ ก, กากาดีอัตตะกิรมัทธาก็าดีพวกเราจะต้องศึกษา ไม่ใช่สงสัยเฉยๆต้องศึกษาถ้าศึกษาจะรู้นะถ้าไม่ศึกษาไม่รู้นะพอศึกษาเสร็จแล้วลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะรู้ได้มีแต่ศึกษาเฉยๆมีแต่ดูแผนที่เฉยๆมันไปไม่ถึงไหนอีกเหมือนกันคนที่จะเก่งแผนที่เก่งขนาดไหนก็เก่งถึงมีแต่ดูแผนที่อยู่กับที่มันไปไม่ถึงไหนแถ้าว่าดูแผนที่รู้แจ้งเห็นจริงในแผนที่แล้วมั่นใจในแผนที่แล้วเดินนะ ถ้าเดินเดินตามแผนที่ถ้าเดินไปมันผิดมันถูกเราก็จะรู้ได้เลยหรือว่าครูบาอาจารย์แนะนํำเข้าไปผู้รู้จริงหรือผู้รู้ปลอมรู้ปลอมหรือรู้จริงเราจะรู้ได้วันนี้วันเป็นวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2555เมื่อวานวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ เมื่อวานหลวงพ่อออกไปทำธุระเกากิจนิมนฑลที่อุดรก็เป็นห่วงทางวัดเหมือนกันเนะ่ะเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์ในพรรษาพี่น้องทางไกลมาเยี่ยมเยี่ยมวัดหลวงพ่อเกือบจะว่าไม่ขาดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาทางไกลด้วยแต่ถ้าเผื่อมาแล้วไม่เห็นเจ้าของวัดไม่เห็นหลวงพ่อใจก็ไม่สบายล่ะ พอกลับมาถึงวัดก็มาจากชนบุรีก็มีเมื่อวานเห็นใบในที่ถวายของเอาไว้จากชนบุรีจากกรุงเทพจากหลายแห่งหลวงพ่อเห็นแล้วเกินหนึ่งนี่แหละคือเขาว่าหลวงพ่อไปออกไปข้างนอกก็ไม่ได้บอกกล่าวกันคิดว่านายปัญหาหลวงพ่อต้องอยู่แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่ใช่พระประธานในชะ่ไหมถ้าว่าพระประธานตั้งแต่เอามาแต่ท่านไม่ไปไหนนะท่านก็นั่งอยู่ หลวงพ่ออินไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้ามีกิจโทรลก็ต้องได้ไป ต, ตามไม่หยุไม่อยากไปก็ต้องได้ไปอย่างเมื่อวานก็รู้ว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมจะมาจากทางอื่นทางไกลต้องมีแน่แต่ว่าทางท่านพิพากษาหัวนาศาลท่านสร้างบ้านขึ้นมาแล้วสองหลังบ้านหลวงขออนุโมนทานาญาณพร้อมกับพระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับ บ้านพักของศารโดยเธอหลวงพ่อก็ได้รับถึงแต่หนูถึงแต่ก่อนเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อรับแล้วก็ต้องถึงคราวก็ต้องได้ไปเมื่อวานก็เลยได้ออกไปอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียนให้ทราบก็คือบ้านพักของท่านพี่ภากษารจากวัดอุดรเสร็จแล้วก็ได้ไปดูโรงพยาบาลจะได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์หลวงพ่อก็ได้ถามผู้ที่มาตักบาทมาจากไหนบ้าง ก็ทราบขาวมาจากหลายแห่งหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงมาจากมุกดาหารที่เป็นญาติพี่น้องของหลวงพ่อมาจากปูเจาก่อตีนเขาปูเจาก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมาเห็นแล้วก็เออพี่น้องลูกหลานเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไปอยู่ทางไกลถ้าเห็นลูกหลานไปเยี่ยมพวกเรารู้สึกรู้สึกดีใจไฮม หลวงพ่ออินเห็นลูกหลานมาเยี่ยมหลวงพ่อดีใจเหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายเออลูกหลานยังเป็นห่วงหาอะไรหลวงพ่ออยู่นานๆได้มาพบมาเจอกันแต่ถึงยังไงมาเจอหลวงพ่อข่าวนี้ก็บางคนก็ห่างเหินกันนานไม่ได้มาเจอกันพอมาเจอโอ้หลวงพ่ออินนี่ยไม่หนุ่มไม่หนุ่มฟอเหมือนแต่ก่อนด้วยคู่บาคู่บาเราเนี่ยพวกที่มาโดยมาก สมัยก่อนเขาเรียกคูบาทั้งหมดนะคูบาอินไงอย่างพ่หลวงพ่อเป็นพระน้อยพะหนุ่มบวชมาจากถิ่นฐานบ้านเกิดนะรวยมากกับมิตรรุ่นเราในคราวกับหลวงพ่อก็ เ, เรียกหลวงพ่อว่าคูบาไนงะแต่มาถึงเดียวนี้เขาเรียกลุงปู่จะแล้วเอเขาเรียกลุงปู่อินแล้วทีนี้ลุงปู่ลุงตาล่ะพ่อหลวงพ่อจะเข้าเจ็ดจีบแล้วนะลูกหลานนะอาอายุหกสิบเก้าแล้วปีนี้ พวกลูกหลานทางบ้านชาวบ้านบ้านแหวงที่บ้านเกิดหลวงพ่อเอ้หลวงพอ่ออินของเราเนี่ยจะอาอยุเท่าไหร่น้อคูบาอินเนี่ยอาอยุหกสิบเก้านั้นแล้วลูกหลานนะอีกแม่นานก็จะเข้าเจ็ดสิบแล้วอีกแม่นานปีสองปีนี่แหละคนเจ็ดสิบเนี่ยดูซิจะขนาดไหนเผลอๆเ่ยฟันหลุดฟันร่วงไปหมดล่ะผมงอกผมขาวไปเรื่อยอนี่แหละอันนี้คื อ, ค, อความ แก่พอหลวงพ่อเห็นลูกหลานเขาเหมือนกันเห็นหมู่พวกเพื่อนที่เคยอยู่บินทบาตทพราอหลวงพ่อบินทบาทอยู่ที่บ้านแวงถึง9ปีนะบวชเป็นเนสเรสมณเนรกับหลวงปู่ล่าอยู่8ปีอยู่ปูเจาก็แล้วก็เป็นพระบวชปี0ูย์แเป็นพระนะแล้วก็อยู่ที่บ้านแวงอีกถึงปีเพราะนั้นหลวงพ่อ เลี้ยงชีวิตกับพี่น้องชาวบ้านลูกหลานบ้านแวงเป็นเวลาเกปีบินทบาตฉันทุกเช้าทําไม่ได้ไปไหนถ้าได้ไปทางอื่นก็ยังว่านะพระเนมก็ไปบ้างแต่ก็อยู่เป็นส่วนมากอยู่กับหลวงปู่ล่าบางปีก็อยู่ด้วยกันสององค์หลวงปู่กับหลวงพ่อแต่ปีสุดท้ายปีที่เป็นพระนี่ยหลวงปู่ก็อยู่กับหลวงพ่อสององค์นะหลวงพ่อเป็นพระ หลวงปู่ล่าท่านก็เป็นพระตะกอนมิถุนเป็นเนนหลวงพ่อเป็นเนนมาตลอดดูแลอุปถัมประทักหลวงปู่เป็นประเคนสิ่งของแต่ปีนั้นปีสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ล่าก็เป็นกูบาอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่แล้วหลวงพ่อก็บวชพระไม่มีเนนปีนั้นผลในสุดโยมพ่อโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยขึ้นไปประเคนของทุกเช้าใครเป็นโยมให้ พรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องประเกณฑนซะก่อนพระจึงฉันได้เพราะฉะนั้นปีนั้นปีสุดท้ายหลวงพ่อจําไม่ลืมโยมพอบขึ้นไปเป็น เ, เป็นเนนให้เป็นโยมให้เพื่อประเกณฑ์สิ่งของปีสุดท้ายปีที่8เพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้เตี้ยงชีวิตกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานบ้านแหวงเป็นเวลา9ปี หลวงพ่อยังลํำลึกถึงบุญคุณของพี่น้องลูกหลานทุกคนที่ได้ให้ความเกือ้อกูลดูแลอุปถัมภ์ปถากไส่บาทหมกคอเวลาไปบินทบาทมีแต่ข้าวกับสมัยถุงวัชสติกไม่มีหรอกอยู่บ้านนอกมีแต่ใบตองกล้วยมาลนลน ล, น, ลนไฟให้อ่อนนิ่มแล้วก็เอาผ้าเช็ดพอเช็ดแล้วก็ตักแกงกับใส่ในนั่นกับไม้กัดหรือว่า ใช้ไม้ไผ่เป็นตอกมัดนะใส่บาดนะี่แหละคือชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ยอยู่ด้วยความไม่ลืมตัวถึงจะมาถึงอยู่จุดนี้ก็เถอะหลวงพ่อยังล้ำลึกถึงการเป็นอยู่ของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ลืมตัวพูดง่ายๆถึงจะเนี่ยร่ลำรวยถึงจะมีคนรู้จักมักคุ้นถึงขนาดไหนหลวงพ่อก็ยังไม่ลืมตัวถึงหลวงพ่อจะกลับไปอยู่อย่างสภาพเช่นเดิมหลวงพอ่อคิดว่าอยู่ได้ เพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่ออยู่มาอย่างยาวนานและก็โชคโชนอยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบากอีกต่างหากการที่จะใช้น้ําก็ต้องนู่นต้องคอนน้าขึ้นจากตีนเขาขึ้นภูจอกกอ็และกัการอยู่การฉันก็ยุดด้วยความลําบากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อใช้ความลําบากจุดนั้นแหละเอามาประยุกต์ใช้ในสถานที่ทุกสถานถึงจะร่ํารวยมั่งมีหลวงพ่อก็เอออันนี้คือมันรวยคื อ, อยามเวลามันมี แต่อีกสักวันหนึ่งอาจจะจนก็ได้เราต้องคิดไว้อย่างนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะถึงข่าวรวยก็อย่าลืมตัวถึงข่าวจนก็จะไปทุกข์จนตอมจิตตอมใจจนใจจะขาดเพราะความจนของตนก็ไม่ถูกนะก็จะต้องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมไว้อยู่เสมอชีวิตของเราเราต้องเตรียมตัวไว้อยู่เสมออันไหนควรจะเก็บอะไรควรจะรักษาอย่างไง ไม่มีใครที่จะรักเรายิ่งกว่าตัวของเราในการเป็นอยู่ถ้าว่าเราไม่รักเราเราไม่รู้จักพัฒนาเราไม่รู้จักบริหารจัดการกับตนเองแล้วใครจะเป็นผู้มาจัดการบริหารให้เราเรานั่นแหละเป็นผู้จัดการบริหารเราเป็นอยู่อย่างไรการเป็นอยู่ของเราอย่างไรเราไม่ใช่ว่ามีแต่พ่อแม่มีไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวคนเดียวเรามีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูง อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่แต่หลวงพ่อองค์เดียวเห็นไหมพระบริวารลูกน้องตั้ง42องค์ปีนี้แล้วก็ไม่ใช่มีแต่พระอีกทั้งมีทั้งในครัวอีกโยมที่มาเกี่ยวข้องอีกแตละวีแตละวันมาพักค้างที่วัดมาอย่างไรหลวงพ่อก็ต้องได้ดูอีกเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านสิ่งเหล่านี้มันต้องเตรียมตัวเรื่องบริหารจัดการต้องดูแลให้ถูกต้องให้เป็นธรรม แต่หลวงพ่อบอกว่าเออถ้าห่างว่าหลวงพ่อนะจนนะไม่มีปัจจัยที่จะที่จะเลี้ยงพระเลี้ยงเนรนะหลวงพ่อจะขโมยหนีกลางคืนหรอห น, นีไปอยู่ตามลาพังแต่ถ้าว่าหลวงพ่อพออยู่ได้อ้าวหลวงพ่อจะช่วยดูดูพระดูเนรของหลวงพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรจะตุปปัจจัยได้มาอย่างไรอาหารการบริโภคอย่างไรนะหลวงพ่อจะดูดูดูพระดูเนรอย่าไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ต า, ตามปัจจัยสีตามอัตภาพพอหลวงพ่อเคยจนมาอย่างไงหลวงพ่อก็จะสอนสอนให้พระเนนของหลวงพ่อให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงหะอย่าไปฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟืยถึงจะมีมากก็จะไปหลงลืมตัวอภิชาตาเป็นอันดับแรกอภิชาตาคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษพระพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วสันทุถีตามมีตามเกิดมีอย่างไรมีของดีก็ใช้ของดีมีของไม่ดี ก็อยู่ได้อาหารดีวันนี้เราก็รระทานแต่าอาหารไม่ดีเราก็ทานเราทานเพียงเพื่อให้สุขภาพเป็นไปได้อย่างที่ปฏิสังขาโยนิโสบินดาป่าตังปฏิเสวามิเนวัตวายธรรมทายนะเนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านสอนการกินอาหารกินเพื่ อ, อยังชีพให้เป็นไป ไม่ได้กินเพื่อร่างกายให้แข็งแรงไม่ได้กินเพื่ อ, อให้ตัวเองมีสุขภาพสวยงดงามกินเพื่ อ, อยังชีพให้เป็นไปเพื่อได้ประพฤติพรหมจรรย์หาทางพ้นทุกในวัฏะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารอีกอันนี้คือนักพลดัดนักปวชพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทานอาหารเพื่อ หาทางพัทุกคเพื่อยังชีพให้เป็นไปแต่ทำไมว่าเป็นยังชีพให้เป็นไปร่างกายก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าหาว่าไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ําไม่มีอากาศต้นไม้นั่นก็ไม่ใหญ่โตเป็นไปไม่ได้ถ้าต้นไม้ขาดน้ําขาดปุ๋ยอันนี้ก็อาหารของเราก็เหมือนกันอาหารก็คือน้ําคือปุ๋ยคือมาเลี้ยงร่างกายถ้าว่าเราไม่มีอาหาร ร่างกายจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ไม่ได้แต่ร่างกายของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนถูกสุขะออนามัยขนาดไหนเลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายไม่มีวันที่จะหนุ่มสาวไปข้างหน้ามิเต่าแก่ชราอย่างหลวงพ่อเลี้ยงไปเถอะเอาอาหารดีๆมาเถอะคำละหมื่นคำละแสนก็มาให้ใหลวงพ่อฉันเถอะไม่มีทางที่จะหนุ่มไปข้างหน้า มิแต่จะแก่ไปข้างหน้าบางทีเนี่ยมาเห็นอาหารดีๆมาให้ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฮอหลวงพ่ออินคงจะเป็นข่ามาข่าวหน้าคงจะหนุ่มฟ่อเลยไม่มีทางฮะต่อไปก็จะผมหงอกผมขาวไปเลยฟันหลุดไปเรื่อยหูตึงไปเลยผลนิสัดกันถึงข่าวจุดจบ ก, ก็คือตายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนเถอะก็เถอนะชีวิตนี่ร่างกายนี่อย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวเลี้ยงพอประมาณ นี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นสรุปแล้วก็คือไม่ให้ลืมตัวถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ไม่มีที่จะหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวไปข้างหน้าอันนี้คืออาหารผ้านุ่งห่มก็เช่นเดียวกันผ้านุ่งห่มก็คื อ, อเพื่อกันแดดกันลมกันร้อนกันหนาวกันอายเพื่อปกปิดร่างกายถึงจะใช้ผ้าดิบดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนผือนับเหมือนละแสนละล้านก็เถอะ จะไม่ให้ร่างกายนี่จะให้เป็นหนุ่มสาวไปข้างหน้าหรือจะให้ไม่ให้มีกลิ่นอสุภะปฏิกูลออกมาเป็นไปไม่ได้อันนี้เพียงแต่พอเป็นไปใช้ผ้าพอเป็นไปผ้าบางสกุลปกปิดร่างกายเพื่อการร้อนกันหนาวกันเหลือกกันยุงกันแดดกันฝนเพียงพอให้รู้จักประมาณอันนี้ก็คือข้อหนึ่งการเป็นอยู่เรื่องผ้าจากนั้นกาที่อยู่อาศัย ก่อนที่จะพักพ้าอาศัยถึงจะหรูหราโออาสวยงามขนาดไหนก็เถอะศาลาหลังนี้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขนาดไหนก็เถอะแต่ถึงจะมาอยู่แล้วก็มันก็ถึงอายุของมันก็ต้องผุพังไปเราก็เหมือนการมาอยู่อาศัยเราก็อาศัยช่วครัง้งชั่วงคราวแลังจากนั้นก็จะต้องจากกันไปอันนี้ก็คือศาลาที่พักพ้าอาศัยอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อน ทาวว่าสร้างขึ้นมาไม่ได้อย่างใจของเราลูลาเอาให้สวยงามให้ถูกจิตถูกใจเพื่อเพอทะเลาะ ก, กันอีกต่างหากว่าบ้านเดือนของเราไม่สวยงามเหมือนของเขาถึงจะสวยงามขนาดไหนก็เถอะอันนั้นเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวพอปางแดดบางฝนอพออยู่ได้แบบพาสุขสบายขนาดใดขนาดหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะสอนพระนะเททยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ อย่างแก่โรคภัยไข้เจ็บไข้ให้พอประมาณอย่าให้เกินไปไม่ใช่ว่าพอเราพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยาเมลล่าแสนละล้านก็ไปซื้อมาจนตัวเองยากจนอยู่แล้วจนไม่มีเงินไม่มีสมบัติเพราะเขาบอกอะไรก็นะ่ยอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ตามไม่จริงโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายของเรานี่ถึงจะรักษาขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งทุกคนที่ว่าหมอไหนเก่งๆ ก, ก็เถอะ จะว่าไม่ใช่หมอธรรมด า, าศดาสตราจาร์หมอรักษาโรคมะเร็งเก่งที่สุดนั่นแหละพอมะเร็งเข้ามาหาตัวเองน่ยพูดไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละจบอีกเหมือนกันเพราะหะไรเพราะโรคนั่นคือโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันรักษาไม่หายถึงจุดหนึ่งถึงคราวหนึ่งถึงครั้งหนึ่งไม่มีใครที่จะอยู่โซ่ ฟ้าดินสลายไปได้เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันท่านว่าให้ระลึกไว้อยู่เสมอมรณะนุดสติคือระลึกถึงความตายหเห็นคนอื่นตายก็ให้น้อมมหาตัวเองอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องไปจากท่านเหมือนกับท่านนั่นแหละไม่แพ้กันแต่ท่านคงได้รับวีซ่าแล้วยมมาทูตเขาส่งวีซ่ามาให้ก่อนแล้วท่านได้รับบีซ่าเอาท่านก็ไปก่อนนะไปต่างประเทศก่อนนะ อีกสักวันหนึ่งเขาคงมันส่งมาให้เรามัส่งมาให้เราเราก็จะไปเสียใจเพราะคนอื่นเขาก็ไปเราจะไปไม่ไปไม่ไปได้เหรอปู่ย่าตายายวงศารคณาญาติญาติมิตรสยหายไปก็มากต่อมากแล้วเราจะอยู่โชก้ฟดินสลายได้ยังไงไม่ตายได้ยังไงในเมื่อวีซ่ามา ถ, ถึงแล้วก็อา้าวรับวีซา่าเราก็ไปอีกเหมือนกันตามหลังกันไปเรื่อยๆแต่ว่าก่อนที่จะ ได้รับวีซ่าเนี่ยเราก็รู้แล้วคนคนเกิดมาแล้วตายไงก่อนที่เราจะได้รับวีซา่าเราควรจะทำตนอย่างไรเมื่อเราจะไปต่างประเทศเพราะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกค่ะไปพบหน้าชาติหน้าอีกพระพุทธเจ้าท่านมองท่านรู้แล้วปเเุเพนวาสานุตติยานละลึกชาติผลลังได้เมื่อวานวันก่อน เดือนก่อนอาทิตย์ก่อนมีไหมมีมาถึงวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้มีไหมถึงจะยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้เราก็คิดว่ามีเพราะเมื่อวานมันมีมาถึงวันนี้มีนะอันนี้เราว่าปุกเพในวาสานุสติยาระลึกชาติทุนหลังได้พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาแล้วจุดตูปปาตาญาณการจุดติของสรรพสัตว์การเกิดการตายมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหน พระพุทธองค์ก็รู้อีกนั่งสมาธิที่โคนต้นโพอแต่ทําไมคนมาเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันคนหนึ่งขี้ไล่ขี้เลคนหนึ่งหูหนวกตาบอดอคนหนึ่งจนคนหนึ่งรวยคนหนึ่งมีสติปัญญาคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งเป็นบ้าคนหนึ่งดีทั้งที่เกิดมาในท้องแม่เดียวกันทําไมมันเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่ากรรมกรรมคือการกระทําท่านมองดูนะท่านนั่งอยู่ที่โคนต้นโพวันนั้นะท่านตรวจดูทุก วิญญาณว่าคนคนนี้วิญญาณนี้มาจากไหนมาเกิดแล้วเขาเป็นมาก็เป็นมาอย่างไรอันนี้เรากรรมคือการกระทําถ้าใครทําดีคนนั้นจะได้ไปในสุขติถ้าใครทํากรรมชั่วสิ่งที่ไม่ดีคนนั้นจะไปสู่ทุกตินี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านมองดูพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นมาด้วยกรรมของตนเองทางนั้นพวกเรานั่งเลยสิคนมานั่งอยู่ ซาลาหลงพ่อนเกือบสองร้อยคนเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนแต่แข้งขาตีนมือหน้าตาตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีแต่บันไม่เหมือนกันเออขึ้นมาแล้วไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมจำแนกการคิดก็ไม่เหมือนกันการกระทำก็ไม่เหมือนกันการพูดก็ไม่เหมือนกันการดำเนินชีวิตแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาเวลานาทีไม่เหมือนกันเพราะนั้น จะให้เหมือนกันไม่ได้เพราะอะไรกรรมจะต้องจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้นี่แหละอันนี้เพียงแค่นี้เราก็รู้แล้วกรรมคือการกระทําและทันทีก่อนที่จะไปประโรคภายภาคหน้าเนี่ย พ, พระพุทธองค์บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าทํากรรมดีในชาตินี้พบหน้าชาติหน้าก็ต้องไปดีเพราะว่ากรรมคือการกระทําส่งผลให้ส่งไปในอนาคตในปัจจุบันนกกรรมแต่ ปัจจุบันนักกรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเออแต่เป็นเด็กขึ้นมาไม่ได้เรียนหนังสือขี้เกียจเรียนอีกต่างหากพ่อแม่ไปส่งนักเรียนนูน่นทะเลทรายไปหาเที่ยวหาเล่นไปหาจิงนกตกปลาไปเลยได้จะทําไงพ่อใหญ่ขึ้นมาคนนี้จะได้เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแผลมรู้จิกรู้ยิ่งเห็นจริงภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอะไรรู้หมดคณิตวิทย์อังกฤษ เป็นผู้รอบรู้ในวิชาต่างๆพวกเราคิดดูสิคนที่ไม่เรียนหนังสือคนที่การกระทําไม่ดีแต่สมัยเป็นเด็กจะเป็นไปได้ไรมอย่างนัเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าการกระทําของตนเองเอ่ยเป็นคนที่ไม่เอาทานแล้วใจญ่ขึ้นมาจะเป็นคนรอบรู้มีสติปัญญาเป็นไปไม่ได้เนี่ยอันนี้แหละคือกรรมคือการกระทําถ้าตัวเองขี้เกียจในเป็นเด็กและจะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเป็นไปไม่ได้ นั้นเมื่อส ม, มัยเราเป็นเด็กเรามันขยันเรียนรู้เก่งหมดทุกวิชาเมื่อใหญ่ขึ้นมาเราก็เป็นผู้ค้นคว้าศึกษาตามหลักวิชาคนนั้นมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองได้พร้อมกับมีบุญวาสนาบาลมีและก็พร้อมกันก็เป็นคนดีเป็นคนมีสติมีปัญญามีความมุ่งมั่นเป็นสัมมาทิฏฐิอีกต่างหากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแต่เป็นวิชชาทิฏฐิแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ แต่คนมีสติปัญญาก็จริงอยู่แต่ใช้สติปัญญาในทางที่ไม่ถูกต้องอคนนี้ปัญญาเก่งนะปัญญาดีนะอรวยพ่อแม่รวยต่างหากแต่เอาเงินรวยของเตียงเอาทางรัดกว่านี้อีกนู่นไปหาขายยาบ้ายามา้าคันชา ย, ยาฝิ่นยาองค์ยาไอเข้าไปอีกฮผลที่สุดก็เลยแจ้งไปตลอดใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อ, อันนี้ก็คือปัญญานะใช้ไปในทางที่ถูก ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมิตรสาธิติไงมิตรสาทิติสัมมาทิฏฐิเป็นของกู้กันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะก่อนที่จะมีวีซามาถึงพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปควรจะไหว้พระรักษาสิ่งภาวนาปฏิบัติ ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนเอาไว้เพราะชีวิตของพวกเราไม่แน่นอนถึงจะเลี้ยงอิม่มมีพีมันสุกสบายขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนที่อยู่อาศัย ห, หรูหราโออาขนาดไหนยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บดีขนาดไหนร่างกายเนี่ไม่มีทางที่จะน้อยหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราผลที่ถึงก็จ บ, จบ จุดจบขึ้นเมื่อวีซ่ามาถึงเราก็ต้องย้ายบ้านเอคุณมาอยู่ในโลกนานแล้วนะพอแล้วไปกับไปสู่ปัลละโลกได้ในเมื่อไปปละโลกเนี่ยเราได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างทุนที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเรามีอะไรบ้างที่จะทำให้เราไปสู่ปละโลกเรามีเงินในกระเป๋าเพียงพอหรือยังเงินก็นคือบุญ น, เน่เรามีบุญได้ทำไว้เพียงพอหรือยัง ถ้าเรายังไม่ได้ทําเราต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะะ ต, ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีบาป บ, บุญคุณโทษมีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพราะพระเจ้าท่านสอนแล้วพ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านกดน่ะมั่นใจมั่นใจเพราะอะไรเพราะท่านนั่งภาวนาอย่างหลวงพ่ออินนี่ก็เถอถามเลงพ่อตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสู่เย100ลยร้อยเปอรเซ็นะลูกหลานเะนี่ยตายแล้วเกิดแน่นอน ทำไมหลวงพ่ อ, อยืนยันให้สูตเจ้านั่งภาวนานะนั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายเหมือนพระประธานนั่งพอนั่งเสร็จแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งรวมปุ๊บจิตใจรวมพอรวมเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายหเหมือนกับรถแต่จิตใจหเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับร ถ, บรถไม่ใช่อันหนึ่งอเดียวกันนะเป็นคนละอันกันนะ แต่ร่างกายรถนี่แตกตายสลายแน่แต่คนขับรถออกจากรถนะไปหารถคันอื่นดิร่างกายมีป่าช้านะตายแล้วเผาฝังไม่ฝังก็เผาไม่เผาเอาฝังไม่ฝังก็ทชำแหล่เลยทุกวันเลยถึงช่ำแหละแล้วกว็เถิดเอาไปให้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วกว็เถอมากับมาเผาเอย่างเก่านั่นเนี่ยร่างกายมันเป็นเพียงนะแต่ว่าไี่ไม่มีป่าช้านะ ลวงตามหาบัวะไม่มีปลาช้าใจไม่มีปลาช้าออกจากร่างกายนี้ไปมีเงินติดกระเป๋ไหมโซเฟอร์มีเงินไหม้ารถคันนี้เสียล่ะถ้าโซเฟอร์มีเงินติดกระเป๋ามีเพชรนิ่งกินดาราคาเป็นออมีเพชรราคาแพงๆติดกระเป๋าไปด้วยเออไปยื่นที่ไหนไปขายเพชพรพลอยเท่านั้นแ่ะจะเอากี่คันเอาเครื่องบินก็ยังได้ฮะจะเอารถรถหรือจะเอาอะไร คนที่มีบุญนี่แหละโซเฟอร์มีบุญอา่าโซเฟอร์มีเงินจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายทั้งหมดแต่ทางว่าโซเฟอร์ไม่มีเงินพอได้รถคันนี้มาแล้วก็ขี่ตลอนตลอนไปเยี่ยมหมูเยี่ยมเพื่อนกินเหล้าเมายาการพนงการพ น, นันไม่ได้คิดสร้างสารรค์ไม่ได้คิดหาเงินเลยเโซเฟอร์คนนั้นคิดดูให้ดีก็แล้วกันในเมื่อรถคันนั้นพังไปแล้วโซเฟอร์มิตรจนกับจน นี้ก็เหมือนกันพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ผู้บายใจล้งปู่ล้งตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนขอให้ลูกหลานทุกคนนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะเป็นคนดีสรุปแล้วให้เป็นคนดีให้ทําแต่กรรมดีอย่ากรรมชั่วอย่าทำอักระตังลุกรตังเสโยปัชชาตปฏิลุกรตั ง, ยยตต ก, ก, ตงกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้ว จะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังคะในปัจจุบันกรรมนี่ก็เถอะนะถ้าว่าคนไหนทำกรรมไม่ดีเออ่ยเ่าับโงโหให้ใครแล้วไปฆ่าเขาไปป่นเขาไปขโมยเขาเไปทุบไปตีเขาเนร่ะอว่าโกรธให้เขาเแล้วก็ชะใจตัวเองก็ททำแต่ขนะดชะใจก็เถอะเมื่อไปทำเสร็จแล้วอีกต่อไปนะั่นฮะเขาไปฟ้องร้องตำรวจตำรวจรูนะ้เข้ามาน่ะตัวเองน่ะนี เนี่ยวิ่งหัวสุกหัวซุนะลยถ้าไม่วิ่งหนีกันเะน่ยเมื่อเขาจับได้ก็ต้องเอาที่ไล่ทีนาไปปะกงประกันออกมานในขณะที่ทําตัวเองไม่ได้คิดแต่เมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วมันตามสนองเลยเมันจะเดือดร้อนเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านพนะระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถูกต้องแล้วนะนะกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ก่อนที่จะทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคืออะไรคือคือการกระทําทางกายฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์พูดผิดในกรรมวิจีกรรมคืออะไรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดหลอกลวงต้มตุนหลอกลวงเขาอันนี้พูดเหมือวาจาใจก็คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดอยากทํำนองครองทำก็ว่าเห็นผิดคํานี้นะเราจะทําไงต้องศึกษานะ ถ้าไม่ศึกษาไม่รู้เรามิจฉาทิฏฐิคืออะไรเห็นผิดคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกตนะ้องทอย่างไรอันนี้พวกเราต้องศึกษาวิชาในโลกนี้ต้องศึกษาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครใจย่ำผูรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีไหมเกิดมาเรารู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ต้องศึกษาทั้งนั้นเราอยากจะเป็นครูเราก็ต้องเรียนวิชาครูเราจะเป็นทหารเราก็ต้องเรียนวิชาทหารตำรวจพิพากษาอายการมีมากเป็นพ่อค้า ขนาดทาไร่ทํานาทำรั้วทําสวนทําสวนยางเขาก็ยังเรียนกันฮะใช้ปุ๋ยยังไงทํำยังไงต้องวิชาทั้งนั้นโรคกนันมากมายแต่พวกเราอยากจะรู้เรื่องวิชาพระพุทธศาสนาที่จะทําจิตทําใจให้พ้นจากทุกในวิพะโสงสารอันนี้ก็เป็นวิชาที่จะต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันแต่วันนี้หลวงพ่อเองได้พูดให้แนวความคิดกับศรัทธาญาติโยมลูกหลานนานพอสมควระ เพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อพูดทนะางว่าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ไดไ้ได้รับการศึกษาจะเป็นผู้เฉลยวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรหนะลวงพ่อเห็นไหมลูกหลานเนะี่ยพูดต่อหน้าลูกหลานได้เลยหลวงพ่อบวชมาแต่อายุสิบเจดสิบสองปีบวชตัปีสองพันห้าร้อยมาถึงป่านนี้นะปีที่ห้าสิบห้าปีสองพันหะ้ารนะ้อยห้าสิบห้าเนอ่ยห้าร้ยปีทีห้าสนะิบห้าชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ย ฝากฝังในไว้ในพระพุทธศาสนายืนนานสักเท่าไหร่นับดูสิเอเป็นเนนเป็นเนนปีสองพันห้าร้อยแล้วก็เป็นพระปีศูนย์ปดเป็นเนนจุแปดปีจากนั้นก็นับพ่อมือหรือสิว่าหลวงพ่ออยู่ในพระพุทธศาสนา น, นานเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาใน พ, พุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อก็พูดให้ลูกหลานฟังแต่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ให้ลูกหลานเชื่อทีเดียวนะโอ้ยหลวงพ่ออินขี้โกหกเออ ไม่เชื่อหรอกไอ้พวกท่านทลายก็คิดดูให้การกลองไตรตรองด้วยซิว่าหลวงพ่อพูดมันเป็นอย่างไงมีเหตุผลไหมไงแล้วเมื่อเหตุผลแล้วเอาลงมือปฏิบัติดูซิเป็นจริงไหมหลวงพ่อเอาของจริงมาพูดนะมาพูดให้ลูกให้หลานฟังเพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราในเมื่อเราปรปับปรุงกายใจของเราแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจอย่างมากแต่หลวงพ่อเนี่ภาคภูมิใจไหมหลวงพ่อภาคภูมิใจนะเออหลวงพ่อบอกว่า ชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเสียใจมากหลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้บวชและปฏิบัติมาถึงจุดนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ให้เชื่ออีกเหมือนกันนะให้พวกเราศึกษาอีกเหมือนกันต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องศึกษาแล้วก็เอาเหตุผลนํามาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะเพราะธรรมะเป็นปัจจตังนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะโนุโมทนาให้พร